ตรงนี้เป็นช่วงเทศกาลเชงเม้งเป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่จะไปคาวระวะสดของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็เลยเอาอาหารไปให้ไปให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วแต่คนที่ร่วงลับไปแล้วนี่เขาไม่มีร่างกายแล้ว อาหารนี้เป็นอาหารสําหรับร่างกายของเขาแต่ร่างกายของเขาตอนนี้อยู่ในหลุมศพยึดถูกฝังอยู่ในหลุมกินไม่ได้ถ้าอยากจะให้คนตายนี้มีของกินก็ต้องให้บุญบุญนี้เป็นอาหารของคนตายเพราะคนตายนี้ตายไปครึ่งเดียวคือตายไปที่ร่างกายแต่ร่างทิพย์ คือใจนี้ไม่ได้ตายกายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี้ยังต้องการอาหารอยู่อาหารของกายทิพย์ก็คือบุญถ้าเราอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วเขามีอาหารรับประทานเราก็เอาอาหารที่เราไปไหว้ที่ศพนี่แหละเอาไปทําบุญทําทาน ถ้าเรากินอาหารที่เราเอาไปไหว้ศพศพก็คนตายก็ไม่ได้อะไรได้แต่คนเป็นคนเป็นที่ไปไหว้น่ะที่เอาอาหารไปให้คนตายแต่คนตายไม่ได้กินคนเป็นก็เลยกินแทนคนตายถ้าอยากจะให้คนตายมีอาหารกินก็ต้องทำบุญบุญนี่เป็นอาหารทิศ เป็นอาหารของกายทิพย์แต่คนที่ตายไปนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมารอรับอาหารรอรับบุญจากคนเป็นขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มีมีชีวิตอยู่นั้นได้ทำบุญหรือเปล่าถ้าได้ทำบุญเป็นประจำก็จะมีบุญติดตัวไปมากก็จะเป็นเศรษฐีบุญ ถ้าเป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ทําบุญน้อยหรือไม่ค่อยทําเลยมีเงินก็ไปเที่ยวกันไปซื้อของเล่นของฟุ่มเฟือยกันแทนที่จะเอาไปทําบุญกันเราก็ไม่รักษาศีลทาบาปกัน ถ้าตายไปก็จะเป็นขอทานทางขอทานบุญทางจิตวิญญาณเพราะไม่มีบุญติดตัวไปเนี่ยพวกนี้แหละที่จะต้องมารอรับส่วนบุญเพราะเขาไม่มีอาหารกินเขาจะรู้สึกหิวแล้วเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้เพราะในโลกที่ไม่มีที่ทาบุญแต่ทาบุญนี้ต้องทำอยู่ในโลกของมนุษย์ ตาตายไปแล้วในโลกทิพย์นี้ไม่มีที่ทําบุญเป็นที่ไปรับบุญหรือไปที่ไปรับบาปกันที่ไปใช้บุญหรือไปใช้บาปกันโวกที่ทาบุญก็ไปก็ได้มีบุญติดตัวไปก็ใช้บุญเหมือนกับใช้เงินใช้บุญซื้ออะไรต่างๆได้ซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ซื้ออาหารทิพย์ซื้อบ้านทิพย์ซื้อโรงแรมทิพย์ ซื้ออะไรได้หมดซื้อบีซ่าทริปไปประเทศไหนก็ไปได้ซื้อแฟนทริปอยากจะได้แฟนคนไหนก็ซื้อได้วรามีบุญเขาเรยกว่าพวกนี้เรียกว่าเทวดาพวกที่เป็นเศรษฐีบุญนี้เป็นพวกเทวดาขณะที่มีชีวิตอยู่เขาทำบุญอยู่เป็นประจาแล้วก็รักษาศีลไม่ทำบา ตรงนี้แหละที่ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนพวกที่ขณะมีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญชอบเที่ยวกันชอบเอาเงินไปเที่ยวชอบเอาเงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อรถเกง๋งซื้อรถเบนซื้ออะไรต่างๆอยาอยากจะซื้ออะไรอยากจะได้อะไรก็ซื้อแต่เรื่องทำบุญนี้เสียดายเงนินถ้าทำก็ทำเป็นทำเนียม วันเกิดปีหนึ่งทำสัก ห, หนึ่งวันปีใหม่ทำสักครั้งหนึ่งถ้าทำแบบนี้จะเป็นขอทานทขอทานบุญเวลาตายไปว่ามีบุญน้อยบุญไม่มากพวกที่มีบุญมากก็พวกที่ทำเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เข้าวัดอย่างอย่างในวันนี้วันพระญาติโยมก็เข้าวัดกันมาทำบุญกัน ทำบุญทุกวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องสี่ครั้งนะแล้วบางคนทำมากกว่า น, นั้นอีกนอกจากวันพระและ้วตอนเช้าอยู่บ้านยังใส่บาตรอีก <c oughs> ถ้าไม่ใส่บาตรก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนมูลนิธิโปเตกตึงร่วมกตันยูซื้อโรงศพอะไรตำนอง น, นี้ถ้าทำบุญเป็นปกติ ก็จะมีบุญมากจะมีบุญติดตัวไปแต่เป็นเศรษฐีบุญบุญนี้เป็นเหมือนเงินในโลกทิพย์ที่เราไปซื้อของต่างๆในโลกทิพย์ก็มีรูปเสียงกลิ่นรถทิพย์เหมือนกันมีรูปทิพย์มีเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยากจะซื้ออยากจะฟังเพลงทิพย์ก็ซื้อได้อยากจะดูหนังทิพย์ก็ซื้อได้พระมีเงินซื้อ แต่ถ้าไม่ได้ทําบุญหรือทําน้อยแล้วก็ทําบาปเจ้าโกหกชอบหลอกลวงคนนั้นคนนี้เจอบประพฤติผิดประเวณีชอบดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันตอนนี้จะไม่ค่อยมีเงินทําบุญเอาเงินไปเล่นการพนันกั น, เ อ, เ, น, อกนเอาเงินไปเที่ยวกลางคืนเอาเงินไปดื่มสุรายาเมาบุญเลยไม่ได้ทํากันทําก็เป็นธรรมเนียมท่านเอง วันเกิดอาจจะทำสักครั้งหนึ่งวันปีใหม่อาจจะทำสักครั้งหนึ่งอะไรทำนองนี้ตรงนี้ตายไปจะต้องไปเป็นขอทานขอทานในโลกทิพย์ภาษาของพระเรียกว่าเปโตภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเปตเปโตก็เปรต นี่เป็นความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงเราเห็นตัวปลอมของเราร่างกายนี้เป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงร่างกายเป็นลูกน้องเราเป็นคนรับใช้เราเราเป็นคนใช้ร่างกายนี้ให้ทำอะไรต่างๆเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไร อย่างวันนี้ก็สั่งให้ร่างกายขึ้นมาวัดกันมาขึ้นมาบนเขามาฟังเทศฟังธรรมกั น, นผู้รู้ผู้สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายถ้าไม่มีผู้สั่งนี้ร่างกายก็ไปไหนไม่ได้ เ, เวลาคนตายนี้แสดงว่าผู้สั่งไม่อยู่แล้วผู้รู้ผู้คิดไม่มีแล้วเอาเข็มไปทิ่มร่างกายคนตายมันก็ไม่สะดุงเพราะว่าผู้ที่รู้ผู้ที่คิดผู้ที่รับรู้ ว่าเข็นได้ทิมไปที่ร่างกายนี้ไม่ได้อยู่แล้วผู้ที่รู้เนี่ยสะดุง้งบางทียังไม่ทันทิมเลยสะดุ้งก่อนแนละหมอบอกว่าจะฉีดยาให้อันนี้ยังไม่ทันทิมเลยใจก็สะดุ้งไปก่อนแนะนี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดที่เป็นร่างทิศกายทิพย์เนะี่ยเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เหลือแต่กายทิพย์อันนี้กายทิพย์อันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินธาตาุน้ำลมที่เราหายใจก็เป็นธาตุลมน้ำที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ำไฟก็เป็นความร้อนในร่างกายของเราอัเรียกว่าธาตุสี่ดินน้าลมไฟพอร่างกายตายไปร่างกายก็ละลายไปเหมือนน้เหมือนน้ำแข็งละลาย ธาตินธาน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกไปธาตุลมก็ละเหยออกไปธาตุไฟก็สลายไปร่างกายคนตายไปจับดูเลยไม่ไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายคนเป็นร่างกายคนตายนี้จะเย็นร่างกายคนเป็นเนี้จะอุ่นจะมีความร้อนแล้วถ้าทิ้งไปนานๆเข้าเดี๋ยวก็เหลือแต่ธาตุดิน นานก็ไหลออกมาแล้วต่อไปต่ร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุก็พังไปกลายเป็นดินเ <c oughs> หลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของพวกเราเป็นตัวปลอมเป็นลูกน้องเราเป็นคนใช้ร่างกายสั่งร่างกายคือผู้รู้ผู้คิด นี่คือเราที่แท้จริงเราที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราเลยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยมาให้ความสำคัญกับร่างกายจนลืมร่างทิพย์ไปลืมหาอาหารลืมหาบุญให้กับร่างทิพย์เพราะว่าขณะที่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องใช้บุญกัน ขณะที่เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายหาความสุขกันได้หาเงินหาทองซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันตอนนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ใช้บุญมาให้ความสุขแต่พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้เราจะเดือดร้อนนะถ้าเราไม่มีบุญใจเราจะทุกข์มาก ก็จะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปกินไปดื่มไปเล่นไปทําอะไรเหมือนตอนที่เราสบายก็ไม่ได้แล้วและยิ่งตอนที่ร่างกายตายไปก็ไม่มีร่างกายที่จะพาเราไปเที่ยวไหนแล้วเราอยู่ในโลกทิพย์ก็ไม่มีบุญพาไปเที่ยวไม่มีบุญซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อันนี้เป็นความจริงที่พวกเรายัางไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่นั่งสมาธิเราจะไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงแต่ถ้าเรานั่งสมาธิจนถึงจุดที่มันแยกออกจากร่างกายได้เราก็จะเห็นจะเห็นว่าโอ้เรานี่ไม่ได้เป็นร่างกายเรานี้เป็นตัวรู้ตัวคิดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราไปไหนต่อเราก็ไปรับผล ผลบุญไปใช้บุญถ้ามีบุญก็ไปใช้บุญถ้ามีบาปก็ต้องไปใช้บาปที่ใช้บาปก็คือเนี่ยไปเป็นขอทานไปเป็นขอทานหรือไปติดคุกี่ติดคุกก็ไปนรกนี่เองนรกนี่ก็คือที่ขังที่คุมขังคนที่ทำบาปทำกรรมใช่แต่ทั้งบุญทั้งบาปนี่ก็มีอายุไขคือใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมด เหมือนเงินทองใช้บุญปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดเป็นเทวดาพอใช้บุญไปจนกระทั่งไม่มีบุญเหลือก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าไปใช้บาปไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกพอใช้บาปหมดเหมือนคนติดคุกเขาสั่งจำคุกห้าปีสิบปียี่สิบปี แล้วแต่โทษหนักเบาพอใช้ใช้โทษหมดแล้วเขาก็ปล่อยออกมาไปตกนรกพอหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างเรื่องของพระเทวทัตนี่เราเคยได้ยินไพระเทวทัตที่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันพระเทวทัตก็เป็นพระบวดพระมาได้ยี่สิบกว่าปี แต่เกิดตัณหากิเลสความมักใหญ่ฝ่ายสูงอยากจะเป็นตัวแทนทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าขอร้องให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของพระแทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเทวทัพนี้ยังมีกิเลสจะไม่สามารถปกครองสงได้อย่างมีมีความเป็นไทเที่ยงธรรม พระ อ, องค์ก็ปฏิเสธไปเทวทาก็โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทไปจ้างคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ฆ่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านี้มีปัญญาสองคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็คุยกับเขาถามเขาแล้วก็แสดงธรรมให้เขาฟังว่า เงินที่ได้จากการนับจ้างมาค่านี่นั่นไม่คุ้มกับบาปที่จะต้องไปใช้ที่เวลาที่ตายไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นบาปที่หนักที่สุดโทษถึงบาหารชีวิตพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องการให้เขาฟังเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่ทำแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระเทวทัจะส่งอีกพวกหนึง่งมาปิดปากพวกนี้ ก็เลยบอกว่าพวกเธออย่ากลับไปทางเดิมไปอีกทางนึงพวกที่ส่งมาปิดปากก็ไม่เจอก็มาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกสอนธรรมะให้พวกนี้ฟังเหมือนกันแล้วก็บอกเขาว่าพวกเธออย่ากลับไปทางเก่าเขาจะส่งคนมาอีกชุดหนึง่งมาฆ่าพวกเธออีกทีนี่ไปการปิดปากเพื่อจะได้ไปไม่ถึงต้นต่อของผู้สัง่ง นี่คือบารมีของพระพุทธเจ้าส่งคนมาฆ่าแต่ก็ฆ่าไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาทรงใช้ปัญญาแก้ความหลงของคนที่ถูกหลอกให้มาฆ่าพอสงคนมาฆ่าไม่สําเร็จก็เลยหาวิธีใหม่ไปปล่อยช้างออกมาเพื่อให้กระทืบพระพุทธเจ้าแต่ช้างพอเจอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแผนเมตตาให้มันยิ้มให้มันคุยกับมันทักทายมันเป็นไงเธอสบายดีเหรือมีอะไรหรือเปล่ามันพอเห็นความเมตตาของพระพุทธเจ้ามันก็ทําไม่ลงมันเวลาใครเขาจะมาด่าเราโยมเตรียมของไว้ให้เขาสิซื้อไอโฟนวางไว้ซื้อขนมวางไว้มาถึงก็พี่เอาไปเลยต้องการอะไระ เดี๋ยวพอได้ของไปมันก็ไม่อยากจะดา่าเราละไม่อยากจะมาตีเราละ<ช>พระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาแบบเนี้ยเตรียมขนมให้ช้างกินเตรียมอ้อยเตรียมปล่อยช้างออกมาก็แผ่เมตตาเอาอ้อยหวางไว้ข้างหน้าช้างเห็นอ้อยก็ไม่อยากจะทักกระทืพระพุทธเจ้าแล้กินอ้อยดีกว่า <c oughs> อ่านี่คือความการแผ่เมตตามันต้องมีอะไรใช่ไหม ไม่ใช่แผ่ด้วยปากเปล่าแผ่ด้วยปากป่ามันไม่หยุดหรอกยิ้มไม่มันเฉยเฉยไม่พอละคนที่จะมาดา่าเราคนที่มาทวงนี้เราเอาเงินมางไว้ให้เขาส <c oughs> เสอ็จเราก็เห็นเงินเขาก็ด่า <c oughs> เขาก็เอาเงินไปละ <c oughs> ส่งช้างมาก็ทืบกก็ไม่สาเร็จเลยต้องลองแบบสุดท้ายไปแอบอยู่บนเขามีก้อนหินลูกใหญ่ยี่ก้อนหนึ่ง รอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาพอเดินผ่านมาก็เก้งเห็นไส่พระพุทธเจ้าเลยแต่ก็ไม่โดนนี่เพียงแต่มีสะเก็ดหินไปทาให้ห่อเลือดให้พระบาทห่อเลือดเนั้นการเพียงเพียงแต่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดนี่ก็ถือว่าเป็นบาปหนักล้เป็นหนึ่งในบาปห้าบาปหนักห้าประการด้วยกันบาปหนักห้าประการคืออะไรหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่ สามฆ่าพระอรหันต์สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกใครทำบาปเหล่านี้ต้องไปใช้โทษหนักที่สุดถ้าเป็นโทษในโลกนี้ก็โทษประหารชีวิตต้องไปก็เรียกอนันตาริยกรรมไปตกนรกขุมที่ลึกที่สุดนานที่สุดร้อนที่สุดนแม้แต่จะไปติดคุกใน คุมนรกที่ร้อนที่สุดหนักที่สุดก็ยังมีวันพ้นโทษได้พระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาหลังจากที่เทวทัตไปใช้กรรมในนรกนี้แล้วก็พอพ้นโทษก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับผลบุญที่ได้ทำจากการบวชต้องยี่สิบกว่าปีบุญที่ได้จากการบวชก็ไม่หายไปเพียงแต่ว่าถูกกรรมที่มันหนักกว่ า, าทาไปก่อนนาไปก่อน อ, อกรรมที่หนักกว่ามันหมดกาลังแล้วบุญที่ได้ทำไว้ก็มาส่งผลต่อต่อไปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเป็นพระพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญบาป ท, ที่พวกเราเราทำกันไว้มันไม่หายไปมันเพียงแต่รอคิวว่าคิวใครมาก่อนเมืหลังถ้าบาปถ้าคิวที่มันหนักกว่าแรงกว่ามันก็มาก่อน อยู่ที่มันเบามันก็มามันมาทีหลังอย่างเวลาเราตายไปนี่เหมือนกับเป็นการคิดบัญชีกันเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทเขาจะทำบัญชีกันเพื่อจะได้รู้ว่ากาไรหรือขาดทุนเขาก็ดูรายรับดูรายจ่ายชีวิตของเราก็เหมือนกับบริษัทนี่แหละเวลาตายไปก็เป็นเวลาที่เรามาคิดบัญชีกันบัญชีของเราก็บัญชีบุญกับบัญชีบาป มันชีบุญก็เป็นรายรับมันชีบาปก็เป็นรายจ่ายพอเวลาตายรายรับรายจ่ายก็จะมาบวกลบคูณหารกันแล้วดูว่าใครจะมากกว่ากันน้อยกว่ากันถ้าบาปมากกว่ากันก็ถือว่าขาดทุนต้องไปใช้บาปก่อนถ้าบุญมากกว่าบาปก็ถือว่ากําไรไปเที่ยวก่อนมีมีกาไรได้โบนัสแจกโบนัสให้ ใหพนักงานไปเที่ยวกันนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่ไม่สูญหายไปไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจงต้องใช้ต่อไปยกเว้นเวลาที่ไปถึงพะนิพานแล้วเท่านั้นถึงไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปที่เหลือที่ตกทั้งอยู่ในใจอย่างพระองคุลิมาเนี่ก็เหมือนกันองคุลิมาเนี่ก็ทำบาปหนักฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน ไ่้โชคดีมาเจอพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายพยายามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไล่ไม่ทันพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารทําให้องค์คุลิมาไม่สาวิไม่สามารถวิ่งตามพระพุทธเจ้าได้จนถึงกับต้องตะโกนออกไปว่าท่านหยุดเถิดผมวิ่งท่าเป็นแทาตายยังตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับไปว่าเรา หยุดแล้วเธอตังหาที่ยังไม่หยุดองค์คุณลมานก็เลยถามว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อท่านหัวท่านหยุดแล้วผมวิ่งแทบเป็นแทาตายทำไมายังตามท่านไม่ทันพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงออาพูดแค่นี้องคุบาลก็ฉุกคิดขึ้นมาได้สติขึ้นมาว่าอา๋อ การที่เราจะไปทำบาปนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นก็เลยยุติความโลภที่อยากจะไปฆ่าคนอื่นความโกรธที่จะไปฆ่าคนอื่นแล้วก็มาเชื่อพระพุทธเจ้ามาหยุดความโลภความโกรธความหลงก็เลยได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ไปถึงพระนิพพานพอตายไปบาป ท, ที่ทำไว้ ค่าคนเก้า้อยเก้าจุดเก้าคนนี้ก็ไม่ต้องไปใช้เลยเพราะอำนาจของบุญที่ทำไว้คือได้ถึงพระนิพพานอันนี้เป็นบุญใหญ่ถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งผมก็อตเรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเป็นหนี้คนเขาหนี้ค่าค่าซื้อลอตเตอรี่ไม่กี่ตังค์เช่นไปซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีเงินก็ใช้เครดิตดีกว่า ถ้าสมัยนี้ถ้าเขาซื้อลอตเตอรี่ใช้บัตรเครดิตได้ก็ดีนะใช้บัตรเครดิตไปก่อนล้วถึงเวลาแล้วค่อยไปจ่ายทีหนงถ้าถูกก็สบายไปถูกในวันที่หนึ่งก็สามารถที่จะล้างหนี้ได้หมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอไปถึงพระนิพพานนี้ก็เหมือนกับล้างหนี้ได้หมดเลยล้างบาปได้หมดล้างบาปล้างบุญได้หมดเลยบุญทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปรับผล บาปทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปรับผลเพราะเมื่อไปถึงนิพพานแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกทั้งหองจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเดรัจฉานนิพพานนี้ไม่มีที่เกิดนี่แหละเป็นเรื่องของตัวของพวกเราล่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเรานี้สักวันหนึ่งจะต้องไปที่พระนิพพานแห่งเดียวถึงจะปลอดภยัย ถ้ายัางไปไม่ถึงพระนิพพานก็ยังต้อง ข, ขึ้นขึ้นลงลงใช้บุญใช้บาปไปตามบุญตามบาปที่เราทํากันในขณะ น, นี้บุชาตินี้เราทําบุญทําบาปกันพอตายไปเราก็ไปใช้บุญใช้บาปกันแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปกันอีกเราก็จะวนเวียนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า หรือพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้วิธีที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องมาใช่บุญใช่บาปกันเนี่ยพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับตัวแทนของพระเจ้าคือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวก ท่านเหล่านี้ท่านรู้จักวิธีพาจิตใจของพวกเราไปสู่พระนิพพานกันพาให้เราไม่ต้องกลับมาใช้บุญใช้บาปกันถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามคาสอน<ม>อย่างที่พวกเรามานุ่งขาวห่วมขาวนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจจะไปนิพพานกันการจ่ายไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะไปนิพพานรู้ป่ะพวกนุ่งขาวห่วมขาวพวกโกนหัวพวกนุ่งเหลืองเนี่ยไปนิพพานกัน แต่ถ้าพวกที่ยังชอบหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาก็จะไม่มานุ่งขาวห่มขาวกันเขาจะไม่มาบวชกันการบวชนี้เป็นการเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบนสดสรรเส ร, ริญรูปเสียงกลิ่นรสดบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้เราไม่ไปแล้วเราจะเข้าข้างใน เราจะเข้าไปสู่พระนิพพานดึงใจเข้าข้างในพระนิพพานอยู่ข้างในใจเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่ที่คนนั่นคนนี้คนที่มาบวชนี่มาสละแล้วของในโลกนี้ไม่ต้องการต้องการดึงใจเข้าข้างในด้วยการนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรม ให้รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ใจที่เข้าข้างในแล้วออกมาข้างนอกใจที่เข้าข้างในแล้วไม่ออกมาข้างนอกก็ต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าเหตุที่ใจยังออกมาข้างนอกอยู่ก็เพราะมีความอยากดันออกมามีความโลภดันออกมาเนี่ยมาอยู่ว้าได้สามวันเดี๋ยวความโลภความอยากก็ดันให้กลับบ้านอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปหา แฟนหาลูกหาสามีหาภรรยานะเรียกว่าความโลภถ้าไม่อยากจะออกจากนิพพานก็อย่าทาตามความอยากทุกครั้งที่อยากก็ตัดมันไปตัดมันไปต่อไปก็ไม่กลับบ้านไม่กลับไปหาแฟนไม่หาลูกไม่กลับไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ข้างในสบายกว่าอยู่ภายในนิพพานนิพพานไม่ดีอยู่ที่ไหนอยู่ในใจอยู่ข้างในใจเรานี่เอง ตานที่พระเจ้านั่งตัดสัุ้ใต้โคนต้นโพน่ยก็ดึงใจเข้าข้างในนั่นเองไม่ให้ใจออกข้างนอกใจมีความอยากลุกก็ไม่ลุกนั่งไปเรื่อยๆตราบใดยังมีความอยากลุกอยู่ท่านไม่ลุกท่านบอกอย่างนี้จะลุกต่อเมื่อไม่มีความอยากจะลุกและอันนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปกลับไปหาก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นน่ะกลับไปหาลูกกลับไปหาแฟนกลับไปหาสมบัติเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับลูกทุกข์กับแฟนทุกข์กับสมบัติอีกเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับลูกสมบัติก็ต้องทุกข์กับมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหมดก็ลําบากอีกก็ต้องไปหากันอีกเหนื่อยอีกดูอย่าไปใช้ของเหล่านี้ดีกว่า เราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองขอให้เราดึงใจเข้าข้างในให้ได้ดึงเข้าไปในนิพพานให้ได้ท่นั้ดึงใจเข้าข้างในด้วยคาบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะเข้าข้างในพอเข้าข้างในแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขข้างนอกความสุขที่เราหาจาก ลูกหาจากสามีหาจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้สู้ความสุขที่เราได้จากใจที่อยู่ข้างในไม่ได้ใจเข้าข้างในแล้วสงบเย็นสบายมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยไม่มีความหวาดกลัวเพราะไม่มีอะไรจะมาทําลายใจที่อยู่ข้างในได้นี่แหละคือวิธีที่จะทําให้เรา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราอยู่นี้ใส่ชุดขาวนี้ไปจนมันตายรับรองได้ว่าเราไปนิพพานได้กันทุกคนกลัวมาไปนิพพานกันแค่สามวันก็เบื่อแล้วอ ย, า, อยาจะกลับไปหาลูกกลับไปหาแฟนหาสามีหาข้าวของเงินทองหาทีวีหาตู้เย็น นี่คือทางเลือกของพวกเราถ้าเราออกถ้าเรากลับไปเราก็กลับไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถ้าเราอยู่วัดเราก็ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็อยู่พระนิพพานไปพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเลือกไปนิพพานกันเหนไหมพระพุทธเจ้าไม่กลับไปในวังอีกแล้วไม่กลับไปหาลูกหาเมียไม่กลับไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง อาสาวโกทั้งหลายก็เหมือนกันบางคนเป็นมหาเศรษฐีพอบวชแล้วพอใจเข้าข้างในปั๊บก็เกิดความสุขถึงกับตั้งอุทานอยู่ตลาดเวลาว่าสุขนาสุขหนาเดินไปไหนก็บ่นว่าสุขหนาสุขนาพระรูปอื่นเห็นเข้าก็คิดว่าฟุ้งซ่านไม่สำรวมก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่สารวมมียกจิตฟุ้งซ่านฉนั้นเป็นคนบ้า พระพเจ้าก็เรียกมาถามว่าเธอเป็นยังไงถึงลองสุขหนอสุขหนอะเขาก็บอกว่าสมัยผมเป็นเศรษฐีผมมีเงินเป็นกองเท่าภูเขาแต่ผมไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอผมมาบวชมาปฏิบัติมาทําใจให้สงบแล้วผมมาเจอความสุขแบบนี้ผมก็เลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้บอกมันเป็นความปื้มปิติในใจเขาจะบอกว่าถ้า ถ้าอุทานแบบนี้ไม่ได้เป็นบ้าใช้ได้เอวิจารณ์ก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะใจมีความสุขนี่แหละคนที่ได้พบกับพระนิพพานแล้วไม่มีใครกลับไปหาลาบยศสารเสริญไม่มีใครกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะลาบยศสารเสริญฐรูปเสียงกลิ่นรสที่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป เวลาต้องพัดพาคจากสิ่งที่เรารักเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจเนเวลามาอยู่วันเนี่ยต้องทิ้งสิ่งที่เรารักชั่วคราวนี่ดีใจไหมมาด้วยความดีใจรด้มาด้วยความรันทดใจบังคับมาด้วยความบังคับใจนี่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกับเวลาเราไปเวลาเรากลับไปนี่โอ้เราเหมือนไก่บิดใช่ เวลาได้กลับไปบ้านไปหาแฟนไปหาเพื่อนไปหาอะไรต่างๆอเวลามาบ้านที่ก็เหมือนหากินะขอต้องบังคับให้มากันแต่เวลากลับไปนี่เหมือนหากินเอเหมือนเหมือนกไ ก, ไก่บินคอยดูวันเวลาเมื่อไหร่จะครบวันสักทีเมื่อไหร่จะครบห้าวันเมื่อไหร่จะครบเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดนี่โหใจนี่เหมือนใจเหมือนนกแล้ว มันจะบินให้ได้แต่ไม่รู้ว่าบินไปหาความทุกข์กันกลับไปหาของที่ไม่เที่ยงกลับไปเจอของที่ไม่เที่ยงพอต้องพัดภาคจากของที่ล้างไปเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่วัดอีก mm hmm. เดี๋ยวพอเสียแฟนเสียเงินเสียทองเสียลูกไปก็มามาอยู่วัดกันอีก mm hmm. พอเพราะวัดเป็นที่ซับน้ำตาวัดเป็นที่ ดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเกิดจากการพัดผาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักแต่ไม่เข็ดพอน้ำตาแห้งปั๊บก็อยากจะกลับไปหาซับใหม่หาแฟนใหม่หาลูกใหม่ไม่เข็ดไม่จำกันถ้าถ้าคนที่เข็ดแล้วเขาจะไม่กลับไปพอแล้วเบื่อแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบเดิมอีกเพราะขาทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง เต่ให้ได้แฟนมากี่คนตายไปกี่คนเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดี <Yeah. S 1> ไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> แต่พวกเราไม่เข็ดไม่ลาบ ก, กันตายจากชาตินี้ไปก็ยังกลับมาเกิดใหม่ <Yeah. S 1> เพื่อจะได้มาหาแฟนใหม่มาหาลูกใหม่หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันใหม่แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้กันใหม่พระพุทธเจ้าบอกน้าตาที่เราหลั่งนี่ถ้ามารวมกันให้มากกว่าน้าในมหาสมุทร กิดูได้เรากลับมาร้องไห้กันถ้ากี่ครั้งกันน้ำถึงน้ำตาถึงยิงมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการหาความสุขของพวกเราหาความสุขด้วยน้ำตากันเพราะว่าความสุขที่เราได้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดเข้าใจไหมคาว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุด ความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ย่อมมีวันสิ้นสุดวันนั้นสิ้นพ อ, อวันนั้นมาถึงก็เป็นวันหลังน้ำตากันเป็นวันที่ร้องหม่มร้องไห้กันขอให้พวกเราเข็ดพยายามคิดบ่อยๆคิดว่าเรากำลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขความสุขก็เป็นผิวบางๆเคลือบความทุกข์นี่เหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่เราหากันทุกวันนี้มันเหมือน น้ำตาลที่เครือบยาวขมสุขใหม่ๆเวลาได้กันเจอกันใหม่ๆแต่งงานกันใหม่ๆนี่โหสุขกันเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็เริ่มทะเลาะกันเริ่มมีเรื่องมีปัญหากันแต่เราไม่เคยเข็ดไม่เคยจํากันเพราะว่าเราไม่มี ไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นนั่นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถหาความสุขได้อีกแบบหนึ่งหาความสุขได้เลยที่ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีข้าวของไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นกันเพียงแต่มาทำใจให้สงบให้ได้เท่า น, นั้นเองมาสวดมนต์กันมาพุโทโธกันแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบพอสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากเงินทองได้จากแฟนได้จากอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่จากเราไปเป็นความสุขที่ถาวรเพราะว่าพอเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วเราก็สามารถหาไปได้ตลอดและสามารถรักษามันไว้ได้พระพุทธเจ้าสอนวิธีหาหาแล้วก็สอนวิธีรักษา สิ่งที่จะหาให้ความสุขให้กับเราก็คือสติพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้ววิธีรักษาความสุขนี้ก็คือต้องทำลายสิ่งที่มาทำลายความสุขนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสุขนี้ก็คือความอยากอยากไปหาความสุขแบบอื่นถ้าไปหาความสุขแบบอื่นความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะหายไป แต่ตอนนี้เรามาอยู่วัดเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบสบายไม่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดกับอะไรแต่เดี๋ยวเกิดความอยากอยากจะกลับไปหาแฟนอยากไปหาลูกอยากไปเที่ยวเนี่ย้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็กลับไปอพอกลับไปความสุขที่ได้จากการมาอยู่วัดก็หายไปแล้วก็ไปได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปหาแฟนเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าแป๊บนึงก็หายไปหมดแล้วต่อมาก็ ความทุกข์ก็ตามมาเหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราจะไปหาความอยากหาความสุขตามความอยากเราต้องใช้ปัญญาของพระเจ้าที่สอนว่าการทําตามความอยากจะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่สู่ความสุขความสุขก็เป็นความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาขมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่กลับไปหาความสุขต่างๆเราอยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่า ก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือการใช้สติหาความสุขแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสุขนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาวิ่นว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานแทนอยู่ที่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขังนิ่บานังปรมังสุ ข, ขัง ไม่มีความความสุขพนิพพานนี้เป็นความสุขสุดยอดปรมังบรมมาสุขเป็น er ความสุขสุดยอดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกเจือปนความสุขร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองร้อยเปอร์เซนไม่มีอะไรมาเจือปนแต่ความสุขที่เราได้ขณะนี้เป็นความสุขที่มีความทุกประสงและเป็นความสุขที่มีความทุกมากกว่าความสุขมีความทุก ซมีความทุกข์9 8็ขอให้เราเลือกกันว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนเอาความสุขร0อเอหรือเอาความทุกข์เ8เอาความสุขสุขงเปซเอากับความสุข 2% ก็กลับไปหาเงินต่อไปทางออสเตรี่ต่อแล้วพอได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวซื้อของตามความอยากพอใช้หมดก็ต้องทุกข์กับมันเพราะความอยากจะใช้เงินยังไม่หมด แล้วดีไม่ดีถ้าหาเงินโดยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็อาจจะไปหาโดยวิธีทำบาปเพราะร้อนเงินอยากได้เงินเร็วๆพอไปทำบาปแลวทีนี้ตายไปก็ต้องไปใช้บาปต่ออีกทางที่พวกเราป่วยกันทางนี้เป็นทางที่เสี่ยงต่อทุกต่อการต้องไปเกิดในอบายกันสู้ไปในทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าไปในทางของสติปัญญา อาจตึกสติพุทธโธพุทธโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆแล้วความอยากก็จะไม่เกิดความสงบก็จะเกิดขึ้นแทนแล้วพอเกิดความอยากจะไปหาก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปแล้วกลับไปเราเพิ่งออกมาจากกองไฟจะกลับเข้าไปในกองไฟทําไมที่บ้านที่เราอยู่นี่เป็นกองทุกข์ที่เรามาวัดเพราะว่าเราทนอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมมันร้อน ทำให้ใจเราเศร้าทำให้ใจเราวุ่นวายเราจะกลับไปหากองทุกทาไมต้องใช้ปัญญาสอนใจถ้าสอนใจได้ใจเชื่อก็ไม่ต้องกลับไปบวชตลอดโกนผมไปเลยอยู่วัดไปตลอดไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าการได้บวชการได้ไปถึงพระ น, นิพพานนี่คือสิ่งที่พวกเรา โชคดีในชาตินี้เราได้มีพบทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้ปักป้ายบอกทางเราจะไม่รู้เราจะคิดว่ามีทางเดียวคือทางแห่งราบยศสรรเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายแต่เราก็ต้องไปเจอความทุกข์ถ้าเราไปทางนี้ <c oughs> เราต้องร้องห่มร้องไห้เพราะมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันพัดผ้าหจากกันนั่นเองแต่ถ้ามี คนมาปากป้ายบอกว่าไปทางนี้สิทางนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวทางนี้คือบรลมะมสุขทางที่เราไปอยู่ตอนนี้เรียกว่าบมมาัลลมะทุกข์กันทุกข์ขนาดร้องไห้จนน้ําตาม้ากกับน้ําในมหาสมุทรนี่คิดว่าทุกข์ขนาดไหนนั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราเราจะทุกข์อย่างนี้ต่อไปถ้าเรายังไปในทางเดิมอยู่ถ้ายังไปหาราบยศสรรเสริญยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เราก็ยังจะต้องทุกแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเราไปทางที่พระเจ้าทรงปกักปักป้ายบอกให้ไปทางนี้ไปทำบุญทําทานไปศศรักษาสิงไปเจริญสติไปจเจริญปัญญา <c oughs> ก็จะไปถึงทางไปถึงที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว <c oughs> ก็เราต้องเป็นผู้เลือกเอาเองไม่มีใครเดินให้เราได้ <c oughs> ทางนี้เป็นทางทั้งสองทางนี้เป็นทางที่ เราจะต้องเลือกเดินเราเองไม่มีใครดึงเราไปได้ดึงถ้าไม่ยอมไปก็เหมือนกับดึงหมาไปอาบน้ำเนี่ยดึงหมาลงน้ำถ้ามันไม่อยากจะลงนี่คิดว่าดึงง่ายๆเลยหมาที่มันไม่ชอบน้ำนี่เราไปจับมันอาบน้ำดูสิมันไม่ยอมลงก็เหมือนกันใจของพวกที่ยังไม่ไปไม่อยากไปเข้าไม่ยังไม่อยากเข้าข้างในก็ดึงไม่ได้ เราต้องเป็นผู้ดึงเองเป็นผู้บังคับเองด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือถ้าไปทางนี้แล้วจะพบกับความทุกข์ถ้าไปทางนี้แล้วจะพบกับความสุขเราจะเลือกไปทางไหนกันเหมือนกับทำผิดกฎหมายกับทำถูกกฎหมายเราจะเลือกทำทางไหนกันทำผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางทำถูกกฎหมายก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางเราจะเอาทางไหนกันเราก็เลือกทางไม่ติดคุกกันมีใครอยากจะติดคุกบ้าง แต่การเวียนว่ายตายเกิดเรากับมองไม่เห็นกันทางที่เราไปนี้เป็นทางไปกลางเวียนว่ายตายเกิดทางไปสู่กองทุกข์กันแต่เรามองไม่เห็นกันเราต้องให้มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าทางที่เรากําลังไปอยู่ตอนนี้เป็นทางที่นําเราไปสู่กองทุกข์กันแต่เราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีเราก็ต้องอาศัยศรัทธาเท่านั้นว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ทามําต่างถ้าเชื่อก็ ลองทำตามดูพอทำตามแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลว่าทางที่พระเจ้าบอกให้ไปนี้ทุกมันจะน้อยลงไปตามลำดับน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีเหลืออยู่เลยนี่กเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของพวกเราที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ได้เราจะไม่รับก็ได้ไม่มีใครบังคับเรา แต่คนที่รับรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเขาก็สบายกันไปเขาก็หลุดพ้นจากกองทุกข์กันไปเนี่ยพระสาวกทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกข์หมดทุกคนพวกที่ไม่เชื่อไม่รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ยังต้องทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยาถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสาเพปุเรนตุสักะปาจันโทปันาระโสยาถามณิโชติ ภราสุยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีริสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโธมมมวะทานเตอายุวันโอสุขัง พาน า, า, าอ่อาภาษาคำถามเข้ามาเลยคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณวุฒิพงศ์ค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อทำการฝึกการรู้และการพิจารณาด้วยจิตกับกับสัญญาต่างกันยังไงครับคือสัญญานี่เป็นเพียงแต่ความจำแต่ความรู้นี่มันเป็นความจริง เช่นเวลาเราคิดถึงคนเขาด่าเรากับเจอเขาด่าเราจริงๆเนี่ยพระเจ้านะเป็นแนวนั่นคิดว่าเขาด่าเราเราไม่กลัวหรอกเขาจะด่าเรางั้นด่าไปเลยอันนี้เป็นเป็นความคิดความจําำแต่พอไปเจอเข า, า, เ, เ, ขาเขาด่าเรานี่มันไม่กลัวมันไม่เฉยแล้วสิมันโกรธขึ้นมานะความรู้กับความความจำมันคนละอย่างกันเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี่เหมือนความจําฟังว่ากิเลสทําให้เราทุกข์ เราแลาวทำให้เราทุกข์โกรธแล้วทำให้เราทุกข์แต่พอกิเลสพอมมาจริงๆทุกอย่างก็ไม่ไม่ไม่กลัวมันไม่มันโลภมันช่วยให้โลภกับโลภกับมันช่วยให้โกรธก็โกรธกับมันอันนี้มันไม่เหมือนกันความจริงกับความจําไม่เหมือนกันคาถามข้อที่สองค่ะตอนเริ่มต้นการปฏิบัติเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องกายหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับดูจิตอย่างเดียว มันจะดิ้นหรือนิ่งก็ดูมันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับยังไม่ถูกหรอกไม่ไม่ต้องดูจิตฮะต้องหยุดจิตต้องใช้พุทโธใช้สติหยุดมันถ้าดูมันมันก็ไม่มีวันหยุดเนี่ยมันต้องหยุดมันขั้นต้นของการปฏิบัติเราต้องการหยุดจิตเพราะการหยุดจิตทำให้เรามีความสุขแล้วเราหยุดความอยากความโลภต่างๆได้ชั่วคราวแล้วทาให้เราเบาอกเบาใจสบายใจ ทัานที่สองเราถึงจะใช้ความคิดเพื่อมาทำลายความโลภความอย า, อยากอย่างถาวรต่อไปอย่าดูจิตเฉยๆดูจิตแล้วเดี๋ยวโดนจิตหลอกเดี๋ยวมันหลอนเราได้นะนั่งดูๆไปเดี๋ยวกลายเป็นหน้าผีโผลขึ้นมากลายเป็นอะไรโผลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ไปหลงไหลคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยก็นั่งแล้วเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้นั่งด้วยการดูจิตแลวยิ่งถ้าไม่มีใครสอนใครเตือนใครห้ามเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ ้ถ้าจะนั่งอย่าดูจิตดูลมหายใจดูพุทโธให้มีอะไรกำกับใจแล้วใจจะไม่ไม่สร้างเรื่องสร้างอะไรต่างๆมาหลอกเราแล้วใจจะสงบแล้วจะให้ความสุขกับเราแล้วพอเรามีความสงบในความสุขเราจะมีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปมีคำถามนึงค่ะเวลาทำงานหรืออ่านหนังสือทางวิชาการการภาวนาต้องหยุดด้วยหรือเปล่าครับ อะถามใหม่คารเวลาทํางานหรืออ่านหนังสือทางวิชาการการภาวนาต้องหยุดด้วยหรือเปล่าครับก็ก็มีสติอยู่การทํางานก็ยังถือว่าภาวนาอยู่เช่นอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงลรืเวลาทํางานให้คิดอยู่กับงานอย่างเดียวก็ยังถือว่าเป็นการเจริญสติอยู่คําถามจากคุณลิตานะครับถ้าเราอยากได้เหลือสมเด็จพระสังฆราชแต่คิดไปคิดมาเราปฏิบัติทานสิ่งภาวนาแทน ถือว่าเราคิดชอบหรือไม่เพราะรู้สึกว่าเรามีพระมากอยู่แล้วที่บ้านแต่การปฏิบัตินี่ยังน้อยอยู่ใช่เรามันมีมีพระอยู่สองแบบไหมพระนอกกับพระในถ้าอยากจะได้พระนอกก็ไปซื้อเหรียญมาเก็บไว้ถ้าอยากจะได้พระในก็ต้องปฏิบัติศิ้นสมาธิปัญญาแล้วพระในจะโผล่ขึ้นมาคือพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่คือพระแท้ พระปอมก็คือพระข้างนอกพระเหรียญทั้งหลายเนี่เป็นพระพระปอมเดี๋ยวขโมยขโมยไปมันก็หมดแล้วเดี๋ยวหายไปคําถามจากคุณชิลาลด์ค่ะอยากจะให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ได้บุญได้จ้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติหน้าเขาจะได้เกิดเป็นคนหรือได้ขึ้นสวรรค์จะต้องทํายังไงบ้างครับให้ฝึกมันให้เป็นคนพาคนตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนให้มันทําประโยชน์ให้กับคนตาบอด พวกหมาที่นําทางคนตาบอดนี่ก็ถือว่าได้ทาบุญแล้วจะทําทประโยชน์ให้กับคนอื่นดีก็ปล่อยให้มันไปกัดกันเล่นกันสอนให้มันทํางานให้มันประโยชน์กับคนอื่นก็ถือว่ามันได้ทําบุญแล้วถ้าอยู่บ้านก็สอนให้มันเฝ้าบ้านเวลาขโมยเข้ามากใกล้มันเห่าอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ถือว่ามันได้ทําบุญแล้วแต่เราต้องสอนมัน ถ้าเราไม่สอนมันมันก็ไม่รู้เห็นแม่หมาที่ก็สอนตํำรวจที่ก็สอนให้ไปค้นหายาเสพติดเนี่ยหมาพวกนี้กําลังทําบุญนก็ได้ทําประโยชน์ให้กับตํารวจให้ทําบุญให้กับสังคมหรือหมาที่ไปค้นหาศพเวลาคนตายเนี่ยตอนนี้ที่มีแผ่นดินไว้แล้วมีน้ําท่วมเนื้อแล้วถูกซากปลากระกพังทับคนตายหรือคนยังไม่ตายบางทีก็ต้องใช้หมาไป เป็นตัวดมกลินไปหาคนเนี่ยหมาพวกนี้เป็นหมาที่ได้ได้บุญก็ได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นคําถามจากคุณไข่ตุ๋นนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าญาติได้รับส่วนบุญแล้วครับพระอจก็ถ้าเขามาบอกเราก็วิธีหนึ่งถ้าเขาได้รับจริงๆบางทีเขาก็มาเข้าฝันบอกขอบใจนะที่อุตาห์ส่งรีบไปให้ถ้าไม่มาก็อาจจะเป็นเพราะว่า เขาอาจจะไม่เขาไม่ได้มารอรับก็ได้ก็อาจจะเป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นเทวดาเขาก็แต่แต่ถ้าเขารู้เขาอาจจะเข้าฝันบอกขออนุโมทนานะแต่ไม่ต้องกังวลนะฉันสบายคำถามจากคุณไข่ตุนค่ะรู้ภายในกับรู้ภายนอกจะแยกยังไงครับอ๋อรู้ภายนอกก็รู้สิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเรีวรู้ภายนอก รู้ภายในก็รู้ใจเราว่าใจเราทุกข์นึกสุขใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็เรียก <c oughs> กับรู้ภายในคาถามคุณสาลีวันนะครับลูกสวดมนต์ไม่เก่งลูกใช้เดินพุทพุทธพุทนั่งพุทธพุทพุทเดินยี่สิบนาทีนั่งยี่สิบ น, นาทีาทได้ใช้ได้ขอให้เราอย่ายไปคิดอะไรทั้งนั้นเองการปฏิบัตินี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดของเรามักจะพาไปสู่ความอยากความโลภความโกรธ เราไม่คิดใจเราก็จะไม่โลภไม่โกรธเพราะไม่โลภไม่โกรธใจเราก็จะสบายมีความสุขต้องถามจากคุณวุฒิพงศ์ค่ะการพิจารณากายอสุภะมาจากการคิดหรือหรือจินตนาการเพื่อพิจารณาจากความคิดจากสมองหรือจากจิตครับผมสัตสนคือได้ทั้งนั้นอ่ะจำต้องกคิดไปก่อนนึกไปก่อนเพื่อให้มันจําได้ แล้วเวลาเราเห็นใครก็นึกถึงอาการสามสิบสองก็ไปเลยตอนนี้เราไม่ค่อยนึกถึงอาการสาสิบสองของใครใช่ไหม mm hmm. เห็นเขาปั๊บก็เห็นหน้าตาก็ติดใจแล้วติดออกติดใจแล้วเกลียดเขาละแต่ถ้าเรานึกหัดนึกดูข้างในบ้างดูใต้ผิวหนังว่าเออัง้งข้างใต้ผิวหนังเขามีอะไรเนาะหน้าเขาเนี่ยสวยจะตายไปแต่ใต้ผิวหนังเขานี่มันมีอะไรมันก็มีกระโหลกใช่ไหมอ่นึกถึงกะโหลกบ่อยๆต่อไปมองเห็นหน้าใครมันก็จะเห็นกะโหลกไปด้วย เราเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในถ้าเห็นทั้งข้างนอกข้างในมันก็จะไม่หลงรักใครรักกระดูกลรักกรโหลกศีรษะเลยเห็นไหมเห็นดาราภาพยนตร์เห็นนางแบบนางงามเนี่ยก็เห็นแค่หนังหุ้มกะโหลกนั่นเองแต่ไม่เห็นกะโหลกที่อยู่ใต้ใต้ผิวหนังหัดดูหัดดูแบบใหม่ดูสองมิติตอนนี้เราดูมิติเดียวดูเพียงแต่หนังดูข้างนอก ต่อไปเราต้องหัดดูข้างในนต่อไปก็จะเห็นทั้งโครงกระดูกเลยเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นหัวใจเพียงแต่นึกมันก็เห็นแล้วล่ะเพียงแต่เรานึกนึกถึงเงินมันเห็นแล้วยังใช่ไหมนึกถึงแฟนนี่เห็นหรือยังนั่นแหละก็ขอให้มันนึกเท่านั้นเนี่ยพลัวเราไม่นึกกันนะเพราะไงเราไม่ชอบนึกถึงอาการ32กันเราเลยหลงไหลคล้างไคล้กับภาพที่เราเห็นแต่เราไม่เห็นของจริงของภาพที่เราเห็นว่า นอกจากภาพข้างนอกแล้วมันยังมีข้างในให้เราดูอีกถ้าเรานึกถึงภาพข้างในเห็นลำไส้เขาเนี่ยเราก็ว่าไม่เอาแล้วอะเหะ็นไหมคําถามจากคุณกมลวันนะครับการสวดมนต์ถือว่าเป็นการพักจิตเหมือนทําสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นการหยุดความคิดต่างๆบงเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่สวดใจมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นก็คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา แต่ถ้าเราสวดมนต์เราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆการสวดมนต์นี้มันไม่มีอารมณ์ไมันจะทําให้ใจเราเย็นใจสงบใจสบายก็จะเรียกว่าเป็นการพักจิตก็ได้แต่ยังไม่พักเต็มที่ถ้าจะพักเต็มที่ต้องไม่คิดเลยต้องไม่สวดเลยนะถ้าตอนต้นยังถ้าไม่สวดมันยังคิดก็ต้องสวดไปก่อนแล้วพอมันพอมันไม่คิดแล้วเราก็มาจอดดูลมหายใจต่อดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวลมก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบ ใจก็จะหยุดคิดใจก็จะหยุดทุกอย่างใจก็จะพักผ่อนได้คำถามจากคุณต้องค่ะเวลาโยมใส่บาตรพระโยมกลัวจะไปโดนบาตรพะถ้าเราโดนบาตรไหมคะถ้าโดนบาตรไม่บาตรจะไปโดนมือพระนี่มันก่ <c oughs> นจริงก็ไม่บาตรเพียงแต่ว่าไม่ควรเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นอารมณ์ให้กับพระได้ยิ่ง <c oughs> ถ้าเป็นคนเพศตรงกันข้ามเนี่ยเวลาไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วมัน จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เฉพาะพระนี่เพราะมันเหมือนคนที่ไม่ได้กินน้า ม, มานานเนี่ยพอได้น้ําทักหยดหนี่งมันก็จะหิวขึ้นมาถ้าถึงพยายามไม่ให้ศีกายญาติโยมอยู่เ อ, อแตะเนื้อต้องตัวพระเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปกระตุ้นอารมณ์ของพระขึ้นมาเดี๋ยวทําให้ผ้าร้อนแล้วเดี๋ยวจะต้องสึกไปหมดแล้วแหละ มีคําถามเข้ามาคำถามจากคุณต้องค่ะโยมไม่กล้ามองหนา้าพระเจ้าขาเวลาโยมปฏิบัติธรรมกลัวกิริยาไม่สมรุกไม่สมัมดวมแต่อยากถามว่าเวลาโยมไปสอบอารมณ์ถามข้อสงสัยโยมสมควรมองหน้าพระไหนคะก็มองได้แต่คอยควบคุมอารมณ์ไว้ก็แล้วกันอย่าไปรักพระหลงพระขึ้นมาโยมบางคนพอสนิทสนมกับพระก็ไปหวงพระขึ้นมาก็มี พาไปคุยกับยอคนอื่นก็โกรธมีบางทีมาอยู่วัดแล้วก็ไปติดกับพระไปพอหลวงพ่อไปคุยกับคนอื่นหน่อยก็หาว่าหลวงพ่อไม่รักละเดี๋ยวถามระหว่างวิชา ย, ยานกับวิปัสสนาญาณอยายให้หลวงพ่ออธิบายหน่อยค่ะคือคำว่ายานก็คือความรู้รวิปัสสนาก็แปลว่า ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเช่นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความจริงเรียกวาปิวิ ป, ปัสสนาแต่วิชาที่เราเรียนกันนี่มันเป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงวความเป็นจริงที่ไม่ไม่ได้เป็นวิ ป, ปัสสนาคือเราไปเรียนวิชาทางอื่นไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับตัวเราเราไปเรียนวิชาความรู้วิทยาศาสตร์สรยศาสตร์หรืออะไรต่งางๆเนี้ย มันเป็นวิชาความรู้แต่มันไม่เป็นวิปัสนาเพราะว่ามันไม่ได้มาสอนเรื่องความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแ ล, แล้วคนที่หลงอยู่ที่วิชายานนี่เขาจะกลับมาที่วิปัสนาญาณได้ไหมคะต้องมีอาจารย์บอ ก, กเหมือนกับองคุลีมาเนี่ยก็หลงวิชายานอ า, อาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะบรรลุก็ต้องไปฆ่าคนอันนี้ก็เป็นวิชายานอย่างคิดว่าการฆ่าคนเก่งไง ถ้าคนหนึ่งพันคนนี้ถือว่าเก่งมากก็จะถือว่าได้ว่าจะได้เป็นผู้บรรลุธรรมขั้นสูงได้แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางนี่เป็นผิดทางเป็นทางสู่นรกพอได้ยินได้ฟังก็เชื่อพระพุทธเจ้าเปลี่ยนทางใหม่พระพุทธเจ้าบอกให้มาฆ่ากิเลสไม่ให้ไปฆ่าคนอฆ่าคนไม่ได้เป็นใหญ่ฆ่าคนแล้วจะทําให้เราต่ําต้อยไปตกนรก ถ้าอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นพระอาหารหันต์ต้องไปฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงอย่างที่พระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเธอตั้าางหายังไม่หยุดอันนี้ต้องหาต้องมีอาจารย์เก่งๆมาแก้ถ้าไม่มีอาจารย์เก่งๆมันไม่เชื่อมันก็จะไปทําผิดอยู่ต่อไป